พระพุทธเจ้าได้สงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเราทำเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างมรสร้างทางสู่พระนิพพานหรือเรากำลังสร้างทางสู่การเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรากำลังสร้างราบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายก็ถือว่าเรากาลังสร้างการเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจของเราจะมีความอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกาย แล้วก็จะไม่มีวันหมดถึงแม้ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรความอยากได้นี้จะไม่ได้หมดไปการไปกับการกระทาตามความอยากกลับจะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยาก ก็จะฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นี่คือหนทางหรือวิธีวิธีจิตของผู้ที่ สัรหาความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายสัรหาลาบยกสรรเสริญเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสละแล้วก็มาสร้างทางไปสู่พระนิพพานทางไปสู่พระนิพพานก็าทางแห่งการทำทานแห่งการรักษาศีล และแห่งการภาวนานี้นี่เป็นทางสู่พระนิพพานถ้าเราทำทานไปเพิ่มไปเรื่อยๆหามจากน้อยไปหามากจนในที่สุดสละหมดเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายของตนเองก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีถ้าเป็นชายก็อาจจะ สละทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่นไปให้แก่บิดามารดาให้แก่พี่น้องให้กับภรรยาแล้วก็ไปบวชเป็นพระเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่มีคุณค่าทุกวินาทีนี้ให้ไปกับการสร้างมรรคสร้างผลสร้างทางไปสู่พระนิพพานคือการรักษาสิ้แปดและ การบำเพ็ญจิตตภาวนาเริ่มต้นด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือขั้นตอนของการนำเนินการเพื่อนำพาจิตให้ไปสู่การหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานเริ่มที่ทานก่อนทานนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือ เวลาจะออกเรือนี้ต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอนี่เรือจะไปไม่ได้ถ้ายังมีความผูกพันอยู่กับเรื่องทรัพสมบัติข้าของเงินทองอยังพึ่งพาทรัพสมบัติข้าของเงินทองในการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ ก็จะไม่สามารถไปปรีกวิเวกไปบําเพญ็ญไปรักษาศีลของนักบวชได้คือรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบเจ็ดนี่เป็นศีลของนักบวชแล้วก็จะได้มีรั้วกั้นจิตไม่ให้ทะเละทะลายออกไปทางตาหูจมูกเล่นกาย ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรโสผัตภะแล้วก็อาศัยการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องดึงใจให้เข้าข้างในเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ให้ไปคิดถึงลาบยศเสนเสสน ไม่ให้ไปคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้ามีสติกำลังมากพอก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เอตที่ไม่สามารถทำให้ใจสงบก็เพราะว่าสติยังมีกำลังสู้กิเลสตันหาไม่ได้ตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้คอยผลักดันใจ ให้ออกไปคิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆต้องใช้สติเป็นผู้สู้กับตันหาความอยากดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในให้ได้เพราะถ้าจิตเข้าสู่ข้างในได้แล้วเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญา ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตได้ต้องมีความสงบเป็นเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าจิตไม่สงบเน่จิตจะไม่มีความสุข เมื่อไม่มีความสุขก็จะต้องพึ่งอารมณ์ต่างๆพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพึ่งลาบยศสรรเสริญเพื่อที่จะให้ความสุขแก่ใจแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็มีความสุข เวลาเสียไปก็มีความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกข์อยู่ในลาบยศสรรเสริญอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระพุทธเจ้าจึงสละพระราชสมบัติเพื่อที่จะได้ออกไปบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อที่จะรักษาศีลของนักบวช เพื่อที่จะเป็นรั้วกัน้นไม่ให้จิตทะเลทะลเายออกไปทำกิจต่างๆที่ไม่ทำให้จิตสงบถ้ามีศีลนะแปดนี้ก็จะช่วยกำจัดการหาความสุขจากผู้อื่นจากการหลับนอนกับผู้อื่นกำจัดความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก กำจัดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหรสพและบันเทิงกำจัดความสุขจากการร้องราทําเพลงกำจัดความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากด้วยเครื่องสําอางต่างๆด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆด้วยการทําเผาทําผมต่างๆ เพราะว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ให้ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็จะหายไปเหมือนควันไฟผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากความสงบของใจจึงต้อง หักห้ามจิตใจไม่ให้ไปแสวงหาความสุขนอกใจความสุขผ่านทางร่างกายโดยใช้สติเป็นผู้ดึงใจให้เข้าสู่ข้างในสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีสร้างขึ้นมาวิธีไหนก็เป็นการสร้างสติเหมือนกันสติก็คือการเลิ ก, เลกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เพื่อที่จะไม่ให้ไปรู้กับความคิดตรุงแต่งต่างๆถ้าอยู่กับพุโทโธพุธโทโธใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาบยศสนรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้หรือถ้าจะอยู่กับร่างกายที่เรียกว่ากายกัตตาสติก็ให้จดจอ่อเฝ้าดูในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจนั้นๆแล้วพอมีเวลาว่าไม่ต้องทำภารกิจก็หามุมสงบมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะใจจะไม่สงบหากร่างกายยังทำกิจกรรมอะไรอยู่ ต้องนั่งเฉยๆกายต้องสงบใจถึงจะสงบได้เวลานั่งถ้าใช้กายกตาสติก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปณะสติลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับ ลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองอย่าไปอยากความอยากนี้จะทาให้ไม่สงบให้รู้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว ลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหายไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องตื่นตกใจไม่ต้องปรุงแต่งว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายเพราะถ้าเกิดความคิดแบบนี้จิตก็จะถอนออกมาไปสู่ลมหายใจใหม่ เวลาจิตละเอียดนี้จิตจะปล่อยลมหายใจแต่ไม่ได้หมายความว่าลมหายใจหยุดหายใจร่างกายก็ยังหายใจอยู่เหมือนเดิมเองแต่ว่าจิตไม่ไปรับรู้กับลมหายใจเพราะจิตกําลังรวมเข้าสู่ความสงบนั่นเองนี่คือวิธีการสร้างความสุขภายในใจเบื้องต้นสร้างความสุขชั่วคราวก่อน ความสุขการจากการได้เข้าสมาธินี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะไปคิดปรุงแต่งอะไรต่อไปถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วจึงต้องเจริญสติต่อไปหรือเจริญปัญญาได้ทั้งสองอย่าง แล้วแต่ว่าจะทําอย่างไหนได้ถ้ายังพิจารณาทางปัญญาไม่เป็นยังพิจารณาตรายลักษณิจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นยังพิจารณาอาสุภะไม่เป็นยังพิจารณาอาหาเรสปฏิกูลสัญญาไม่เป็นก็ให้เจริญสติไปก่อนเหมือนกับตอนที่ก่อนจะนั่งสมาธิให้กลับมาอยู่ กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิรยาบทในทุกการกระทำของร่างกายหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ก็จะสามารถควบคุมรักษาใจไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้แล้วก็จะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไป แล้วพอเสร็จภารกิจก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ทําเรื่องของสมาธิให้ชํานาญก่อนจนกว่าจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้าเมื่อสามารถเข้าได้แล้วขั้นต่อไปต้องบังคับใจให้คิดไปในทางปัญญาท่านให้สอนให้เราพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ เกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้ามองไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะทุกข์มากจะกลัวมาก ถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆจนกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ได้เมื่อยอมรับความจริงนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะจะรู้ว่าเป็นเพียงดินน้ํำลมไฟใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายชั่วคราวใจเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้มีความรู้สึกต่างๆนี่คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาเพื่อที่ให้ใจมีความรู้มีปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม่สวยไม่งาม ร่างกายนี้มีส่วนที่สวยอยู่เพียงนิดเดียวส่วนที่อยู่ที่ผิวหนังนี้เท่านั้นแล้วก็สวยไม่นานผิวหนังนี้ต่อไปก็ต้องเหี่ยวย่นผมก็จะขาวจะงอกแล้วถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นส่วนต่างๆที่ไม่ได้ดูด้าชมเห็นอวัยวะน้อยใหญ่เห็นน้ำต่างๆ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหนื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้เป็นของที่มีอยู่ในร่างกายแต่ถ้าไม่พิจารณาก็จะมองไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาผมขนเล็บมันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีรัะถ้าไม่พิจารณาอาการเหล่านี้ก็จะมองไม่เห็นจะเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเห็นเป็นหญิงเห็นเป็นชายเห็นเป็นพ่อเห็นเป็นแม่เห็นเป็นพี่เห็นเป็นน้องเห็นเป็นสามีเห็นเป็นภรรยาไปถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็จะยึดมั่นถือมั่น แล้วเวลาที่จะต้องสูญเสียร่างกายไปก็จะต้องร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อเตือนใจให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในอาการสามสิบสองนี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราอยู่ในร่างกายอันนี้เวลาร่างกายตายไปร่างกายไปไหน ก็กลับเกินสู่ดินน้ําลมไฟธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันพอตายปั๊บนี้ธาตุไฟไปก่อนแล้ธาตุไฟกับธาตุลมไปก่อนแลความร้อนในร่างกายก็จะค่อยคอยหายไปร่างกายก็จะเย็นเฉียบลมก็จะไม่มีเข้ามีแต่ละออกมีแต่ออกมีแต่ละเหยออกมาน้ําก็จะมีการไหลออกมาตามทวารต่างๆจน ร่างกายแห้งกรอบไปหนังหุ้มกระดูกหุ้มอวัยวะที่แห้งกรอบแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่ยอยจะกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงสภาวธรรมที่เราหลงยึดติดก็คือร่างกายเราจะคิดว่าเป็นร่างเป็นตัวเราของเรา เราจะดูร่างกายคนคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนี้เป็นสมมุติไม่ใช่เป็นความจริงชื่อเสียงเรียงนามที่เราตั้งกันขึ้นมาก็เป็นสมมุติเราจึงเปลี่ยนชื่อกันได้เปลี่ยนจากนายกรมาเป็นนายขอได้ถ้าไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งมันเป็นชื่อเท่านั้นเอง มันไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวร่างกายก็คืออาการ32ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาเบื้องต้นคือพิจารณาร่างกายเพื่อให้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเพื่อจะได้ละความอยากละอุปทานเตยยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้าปล่อยอุปทานได้ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปทุกคนกลับคืนสู่ดินน้ำลมฝ่ายไปนี่คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นอนิจจังอนัตตา ถ้าต้องการเห็นอสุภะก็ต้องพิจารณาอวัยวะต่างๆหรือดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วอย่างสมัยโบราณนี้เขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชาก็สามารถไปเยี่ยมป่าชาได้ไปดูสภาพของศพของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเวลาจากศพที่เพิ่งตายใหม่ๆไปสู่ศพที่ขึ้นอืด ไปสู่ศพที่ถูกร่างกามากัดมากินมีสุนัขมากัดท่อนแขนท่อนขาไปคนละทิศคนละทางไปจนถึงร่างกายที่เหี่ยวที่แห้งกรอบนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกๆคนและพิจารณาเพื่อดับการมาตัญหาเวลาเราเกิดการมาตัญหานี้เกิดเพราะเราไปดู ส่วนที่สวยที่งามไปดูที่ผมไปดูที่ผิวหนังไปดูที่รูปร่างหน้าตาก็เลยเกิดการมารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการมารมณ์ก็ต้องเสพกามพอเสพแล้วก็ติดจะต้องเสพไปเรื่อยเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกเวลาคนที่เราเสพการด้วยตายจากเราไปหรือเลิกกัน ก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าใจยังไม่มีความสงบถ้ามีความสงบแล้วจะมีความสุขที่ทดแทนความสุขที่เกิดจากการเสพกามแล้วพอพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามใจก็สามารถถอดถอนกามมาตัญหาได้ การาราคาได้พอไม่มีการมาราคาแล้วใจก็สงบเงย็นสบายไม่มีอะไรมาขย่าวใจให้วุ่นวายให้เกิดความรู้สึกบุดหยิดลำคาญใจนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายที่เป็นด่านแรกของการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วพอผ่านร่างกายไปได้ก็ จะเข้าไปสู่จิตใจต่อไปจิตใจก็มีสภาวธรรมคือธรรมอารมณ์ต่างๆที่ไม่เที่ยงที่เป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เสมอบางเวลาก็คุมได้บางเวลาก็คุมไม่ได้ถ้าไปอย่างควบคุมอารมณ์เหล่านี้ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะต้องพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่างกายแต่พิจารณาไปที่อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอารมณ์ดีกว่าถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะว่าง พอว่างแล้วก็เป็นนิบานังปรมังสุญญงไปนิบานังปรมังสุขขังไปนี่คือขั้นตอนของการบําเพ็ญเพื่อให้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจริญทานศีลภาวนาการเจริญทานกับศีลภาวนานี้ก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่ม ถ้ายังเจริญทานอยู่ก็ยังจะไม่สามารถที่ไปเจริญศีลแปดและเจริญภาวนาได้แต่ถ้าไปเจริญศีลไปเจริญภาวนาได้ตอนนั้นก็ควรจะระงับการทำทานไว้ก่อนถ้ายังมีทรัพย์มีอะไรที่ยังอยากจะทำอยู่ตอนนั้นอย่าไปเอาการทําทาน มาเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนาถ้าบําเพ็ญจิตตภาวนาไปปีกวิเวกก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องของการทําทานระงับไว้ก่อนไปปีกวิเวกนี้เพื่อไปทําใจให้สงบถ้าไปทําทานก็จะทําให้ใจวุ่นวายเพราะจะต้องจัดข้าวจัดของเตรียมการอะไรต่างๆ ดังนันผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะว่าบุญส่วนหยาบนี้จะมาทําลายบุญส่วนที่ละเอียดได้ถ้าเข้าไปสู่การภาวนาแล้วก็อย่าเอาการทําทานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นบุญส่วนหยาบเหมือนกับเวลาที่ช่างไม้เขาสายไม้ด้วยกบเสร็จแล้วเขาก็เอากระดาษทรายมาขัดน พอเข้าลงกระดาษทรายแล้วเขาจะไม่ใช้กบเพราะกบนี้มันเป็นเครื่องมือที่อยากมันจะทำให้ไม้เสียหายได้พอใช้ใช้กระดาษทรายแล้วก็ถึงเวลาที่จะทาสีต่อไปฉนันใดการบำเพ็ญทานก็เหมือนกันถ้ายังอยู่ในขั้นทานก็ทำไปเลยในงานต่างๆ งานบุญงานกุศลงานบวชงานกระถินงานวันเกิดคูบาอาจารย์งานศพงานอะไรต่างๆอยากจะทำบุญเพราะยังไม่สามารถที่จะไปเปกวิเวกไปรักษาศีลแปลไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องใช้ฐานนี้เป็นบันไดทำทานไปเรื่อยๆแล้วใจจะเกิดความสงบจะเกิดความ รู้สึกที่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถรักษาสีห้าได้พอรักษาสีนหน้าได้ต่อไปก็จะรักษาสีแปดได้พอรักษาสีแปดได้ก็อยากจะไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้เจริญสติเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้ว เรื่องของการทำทานนี้ต้องแขวนไว้ก่อนต้องระงับไว้ก่อนอย่าทำทั้งสองอย่างเพราะว่ามันจะมาขัดกันเช่นแม้แต่อยากจะถวายอาหารให้กับพระภิกษุอันนี้ก็จะทำให้ยุ่งต้องทากับข้าวกับปลาอาหารยกเว้นว่าพระภิกษุไม่มีใครเลี้ยงเช่นไปอยู่ในวัดที่กันดารญาติโยมที่ไปอยู่ก็เข้าโรงครัวกัน เพื่อทำอาหารเลี้ยงพระถ้ามีเหตุให้ทำก็ทำไปแต่ถ้าไม่มีเหตุก็อย่าทาดีกว่าเอาเวลาเข้าครัวนี้ไปเดินจมกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบดีกว่าจิตจะได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วถ้าโมาแต่มากังวลกับเรื่องการทำทานเรื่องกับเรื่องของการดูแลผู้อื่นน จิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบหรือเข้าได้ยากเพราะต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมาจัดการกับเรื่องการทำมาทำอาหารอะไรต่างๆดังนั้นผู้บำเพ็ญจะต้องรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังทำบุญทำทานอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเลย จะอยากภาวนาบ้างบางเวลาก็ทําได้แต่จะทําทได้น้อยและผลจะได้ไม่มากเพราะจิตที่ยังเกี่ยวข้องกับการทําบุญทําทานอยู่นี้จะต้องปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆซึ่งขัดกับการภาวนาที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งดังนั้นถ้าอยากจะภาวนาอยากจะทําใจให้สงบนี้ ต้ไม่ไปทําภารกิจอย่างอื่นทําภารกิจอย่างเดียวก็คือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็ให้ออกทางปัญญาต่อไปนี่คือวิธีบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าสมัยที่ทรงออกบําเพ็ญนี้พระองค์ไม่เคยไปงานกรถินงานผ้าป่า ไม่เคยสร้างกุติสร้างวิหารไม่เคยพาญาติโยมไปจาริกตามสถานที่ต่างๆไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นงานหยาบเป็นบุญส่วนหยาบที่จะมาเอาเวลาของการภาวนาไปและจะทำให้จิตหยาบลงแทนที่จิตจะละเอียดขึ้นกลับจะหยาบลง ถ้าจิตยาบจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะองค์ตลอดระยะเวลาหกปีนี้ไม่ยุ่งกับใครเลยพยายามบำเพ็ญอย่างเดียวจนได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมาสามพุทธเจ้าหลังจากนั้นจึงมาโปรโดญาติโยมที่ยังมืดบอดอยู่ที่ยังไม่รู้จากทางไปสู่พระนิพพาน ที่ยังไม่รู้จักทางสู่การดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมาโปรดจะไม่มีใครรู้เลยว่าวิธีดับความทุกข์ใจนี้ดับอย่างไรวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้หยุดอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสละเวลาที่เหลืออยู่ตลอด45ปี หลังจากที่ได้ทรงตัดสัตอายุ35สก็สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทุกวันเป็นพุทธกิจพุทธกิจมี5ประการด้วยกันคือ 1. อบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนบ่าย 2. อ, อบรมสั่งสอนพระใ น, น, นยามคำ่ำา 3. อบรมสั่งสอนเทวดาในยามดึก และสก่อนที่จะออกบินฑบาตตอนเช้าจะส่งเรง ย, ยารดูว่าจะไปโปรดใครดีใครที่อยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับธรรมหรือมีความ อ, อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายของเขาก็ส่งมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะเวลาเขาใกล้จะหมดแล้ว พวกที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เยอะก็เอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทรงออกบิณฑบาตนี่เรียกว่าพุทธกิจกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้บรรลุได้ตัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงทํากิจเหล่านี้เท่านั้นไม่เคยสร้างวัดสร้างวาเลยวัดวาที่ทรงประทับอยู่นี้ก็เกิดจากศรัทธา ของผู้ที่มีฐานะเช่นพระราชามหากร์มหาเศรษฐีที่อยากจะให้พระพุทธเจ้ามีที่อยู่อาศัยก็เลยสร้างวัดกันขึ้นมาถวายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็จะไม่อยู่ที่นั่นตลอดเวลาเพราะทรงมีความห่วงใยในเรื่องของการเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลาย ให้มีดวงตาเห็นธรรมกันแระองค์ก็จะอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะออกจาวิสต่อไปไปตามสถานที่ที่ยังไม่เคยไปหรือสถานที่ที่เคยไปแล้วก็กลับมาวนใหม่อันนี้เป็นความเมตตาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าช่วยเหลือให้ผู้ที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจํานวนมากพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่เกิดจากพระพุทธเจ้าคําว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังอรหันต์ก็แปลว่าผู้สิ้นกิเลสการจะสิ้นกิเลสได้ต้องเป็นผู้ฟังเพราะว่าตามลาพังแล้วจะไม่สามารถสอนตนเองได้เพราะไม่มีปัญญาบารมีแก่กล้าพอ ที่จะมองเห็นอริยสัจสีด้วยตนเองจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกพอทรงชี้บอกแล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากและตัณหาความอยากนี้จะดับจะละได้ก็ต้องเห็นใจรักเห็นอสุภก็เลยนำเอาไป บ, เ บ, ำบำเาเพ็ญบาเพ็ญพิจารณาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพอเห็นเห็นตายรักเห็นอสุภะก็หยุดตัณหาความอยากได้พอไม่มีตัณหาความอยากก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมาและทรงนำมาสั่งสอนพวกเราและให้พวกเราคอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทาอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างภพสร้างชาติหรือเรากำลังตัดภพตัดชาติถ้าเรายังสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่นี่แสดงว่าเรายังกำลังสร้างภพสร้างชาติอยู่ถ้าเราตัดภพตัดชาติเราก็ต้อง บำเพ็ญทานศีลภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสำรวจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงกับความสุขชั่วปายลินด้วยความสุขแบบควันไฟความสุขจากลามยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วตามมาด้วยความอยากด้วยความทุกข์ ต้องพยายามสอนใจเตือนใจว่าเราเป็นสิทธิ์ของตถาคตเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธนี่เราถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสระนังกัจฉามิเราถือพระอริยสงสาวกเป็นแบบเป็นฉบับเพราะท่านก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับบำเพ็ญตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมา จนได้บรรลุเป็นพระอริยาสาวกขึ้นมาพวกเราถ้าน้อมเอาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเอาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกมาปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้พระนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสิ่งยากเย็นเลยถ้ามีพระพุทธศาสนามา เป็นผู้สอนเป็นผู้นําทางแต่จะยากเย็นมากถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะจะไม่มีใครรู้ทางไปสู่การดับทุกข์ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสั้นนี้ไม่มีพระอาหารหันต์สาวกเลยแนมะ้แต่รูปเดียวไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของตนได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าตัดสั้แล้วแล้วเอามาเผยแผสั่งสอน ก็ปรากฏในพระอ า, ารณมตถาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วด้วยเช่น mm hmm. ตอนที่ทรงแสดงธรรมข้างแรกนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาหาบูชาแล้วต่อมาในวันเป็นขึ้นสิบห้าค่เดือนสามก็เป็นระยะเวลาเจ็ดเดือนนับจากเดือนแปดไป ก็ปรากฏมีพระอาหลนตสารบอย่างน้อยก็ 1,250 โรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาริทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนี่คือความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่หลุดพ้นนี้ได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเจดเดือนนี้บรรลุ อย่างน้อยก็หนึ่งันสองร้ยห้าสิบูปแต่ก่อนหน้านั้นนี่เป็นเวลาพันปีหมื่นปีสานปีไม่มีใครบรรลุเป็นพระอาหารหันตสารลกได้เลยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วมาแสดงธรรมมาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกนั่นเองพวกเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์ สละเวลาของพระ อ, องค์มาสั่งสอนเพราะาพระ อ, องค์นี้ไม่ได้รับอะไรจากการสั่งสอนเลยเพราะว่าจิตของพระ อ, องค์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วไม่สามารถที่จะรับความสุขเพิ่มขึ้นได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทำเพื่อความสุขของตนเองเลย ถ้าเราอยากจะสำเนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงผู้ใดปฏิบัติธ ร, รรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ยถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้า ขอให้พวกเรามาตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเถอดด้วยการหมันถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายแล้วเวลาของเรานี้มีน้อยลงไปทุกวันทุกวันไม่ได้มีมากขึ้นแต่อย่างใดจึงควรรีบขวนขวายสร้างมักกันดีกว่าสร้างทางสู่พระนิพพานกันดีกว่า เลกสร้างความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันดีกว่ามาสร้างความสงบที่เกิดจากการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้ดีกว่าเพราะผลที่ได้รับนี้เป็นผลที่อันเลิศอันปะเสริฐเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ มาปลเลยนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการหมัน่นถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าเราถามตัวเองเราก็จะเขินจะอายว่าเรากำลังไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ทำเราจะได้เลิกไปทาแล้วกลับมาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำกัน พอได้ทําแล้วเดี๋ยวก็ได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ทํานี่ได้รับผลกันมาเกือบทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานเพราะความตายนี่สามารถมาเยือนได้ทุกเวลาไม่มีใครมี ความสามารถที่จะผัดเวลาได้เมื่อเวลาของความตายมาถึงก็ต้องรับเปียงอย่างเดียวแล้วก็จะหมดโอกาสที่จะได้บาเพ็ญด้ยกตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในชาติอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ก็ต้องรอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป แต่ถ้าเรามีนิสัยที่ผัดวันประกันพรุ่งมีนิสัยที่ไม่ชอบบำเพ็ญไม่ชอบปฏิบัติต่อให้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามเราก็จะไม่ปฏิบัติอยู่ดีนี่ดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนนิสัยของเราที่ไม่ชอบปฏิบัติให้หันมาชอบปฏิบัติให้เบื่อกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นสิ่งที่เราทำได้แต่เราต้องบังคับใจถ้าปล่อยให้ใจเป็นไปตามอารมณ์ใจจะไม่มาทางนี้ใจจะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็ขอความการุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าเวลาเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาท่านใครมีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นแล้วจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวช่วยส่งไปให้พิธีกร เดี๋ยวพิธีกรจะถามปัญหาทางบ้านคำถามแรกจากผู้ฝากถามคะ่ะขอกราบเรียนถามว่าทำไมอริยสัจสี่ท่านถึงเรียงผลก่อนเหตุเช่นทุกข์ก่อนสมุทยัยและนิโรธก่อนมรรคคะ และเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติอย่างไรมันก็ต้องเริ่มตรงไหนสักแห่งนะไม่เริ่มที่ผลก็ต้องเริ่มที่เหตุมันก็มีแค่นั้นส่วนใหญ่ที่เริ่มที่ผลก็เพราะว่าถ้าไม่มีผลมันก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหมเวลาถ้าสบายก็ไม่ไปหาหมอเพราะเวลาไม่สบายถึงจะไปหาหมอหมอก็จะได้วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากเหตุอันใดรเราถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เข้าหาศาสนานะครับ พวกเราก็จะเที่ยวจะเล่นกันถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์นี้ไม่ต้องมีศาสนาแลที่มีศาสนาก็เพราะว่ า, าพวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่แล้วเราไม่รู้เหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรเราก็เลยต้องเข้าหาผู้รู้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกเราว่าเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับ พอได้ร่างกายมาแล้วก็อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันอันนี้ก็ขัดกับหลักความเป็นจริงเพราะร่างกายนี้เป็นอนิจจังมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับในเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือวิธีดับความทุกข์ก็คือต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ วัตถุหรือสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยเช่นร่างกายว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอัปตจ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่มีวันที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้สอนใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอไม่มีความอยากความทุกข์ก็หมดไปข้อสองค่ะสติปฐานสี่คือการมีสติเข้าไปตั้งในกายเวทนาจิตธรรมถูกหรือไม่คะและอริยสัจสี่จะนำไปใช้กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างไรและจะทำให้บรรลุธรรมได้อย่างไรคะความจริงไม่อยากจะตอบปัญหาอันนี้เลยเพราะมันระดับปัญญาเอกนะ ตอนนี้ยังอยู่ปฐมอยู่อยากจะให้ทำบุญเยอะๆสละเงินสละทองอยากเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองมาทำบุญเพื่อที่จะได้หยุดความอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายแล้วจะได้ไปรักษาศี่แล้วก็จะบำเพ็ญเจริญสติมันเป็นขั้นเป็นตอนที่ถามมานี่มันขั้นระดับปริญญาเอกพูดไปตอบไปก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็เดี๋ยวก็ลืมเพราะยังปฏิบัติไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้ก็พูดแล้วความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันทำไม่ได้เพราะใจมันมันอยากอยู่นั่นและแล้วมันจะไม่หายไปเริ่งหยุดด้วยการรู้เฉยๆมันต้องสร้างเครื่องมือมาหยุดมัน เครื่องมือที่หยุดมันก็เนี่ยทานให้ทําทานทุกครั้งที่จะอยากซื้อขนมซื้อของพุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นก็เอาไปทําบุญทําทานสิจะทําทกับใครก็ได้ไม่ต้องมาทํากับวัดก็ได้ทํากับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับพี่กับน้องคืออย่าเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขตามความอยากเราต้องการที่จะละความอยากนี่ถ้าเราทําอย่างนี้แล้วใจก็จะลดความอยากลงไป ตอนต้นนี้เราละเอาความอยากที่มันใกล้ตัวก่อนความอยากที่ใกล้ตัวก็คืออยากกินอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็อยากใช่ไ ห, ไหมวันนี้จะกินอาหารเช้าอะไรดีจะดื่มอะไรดีมันปรุงแต่งไวแล้วความอยากทั้งนั้นนะถ้าไม่เป็นความอยากก็วันนี้จะได้กินอะไรอะไรก็ได้อย่างพระนี่ไม่รู้วันนี้จะได้กินอะไร เช้าก็ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดอันนี้แหละคือขั้นต้นเราต้องทำจากขั้นที่เราทำได้ก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดำับนั้นก็ไม่อยากจะตอบปัญหาให้มันยาวไปเสียเวลาไปเปล่าๆอยากจะสอนให้มาปฏิบัติดีกว่ารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องม้เครื่องมือ ที่จะมาทาตามที่เรารู้ได้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็บรรลุแล้วสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอ ร, รยิยสัจสี่ขั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีย์นะพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะท่านมีศีลท่านมีสมาธิแล้วท่านสละทานนี้ท่านทำจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เลย แต่ยังมาหวงอยู่กับร่างกายนี้พอพระพุทธเจ้ามาสอนว่าร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เข้าใจอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายท่านก็เลยเป่งอุทานออกมาสิ่งใดทําอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือเห็นแล้วทได้ พระพุทธเจ้าเห็นเลยว่าอออัญญาการกนทัญญาเธอรู้แล้วเนอะเธอรู้แล้วเนาะเธอทำใจให้หยุดความอยากได้แล้วพระพุทธเจ้าสามารถมองยานดูจิตภาวะจิตของของผู้อื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมารับรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นระดับสูงสุดปัญญาวิปัสสนา ถ้าไปเรียนปัญญาวิปัสสนาโดยไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีทานนี่เรียนไปเดี๋ยวก็วิปัสสนูไปคิดแล้วก็คิดเข้าใจว่าโอ้ยเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้วแต่ปัญหาสักตัวนี้ไม่ได้ดับเลยยังมีเหมือนเดิมอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าบรรลุรู้ไหมก็ลองไปทดสอบหาที่มันน่ากลัวดวูรู้ว่ายังกลัวอยู่เปล่า mm hmm. ถ้ามานั่งคิดอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเี่ย ต้องไปอยู่ป่าชา้าอยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสารสาัตว์ต่างๆเวลาได้ยินเสือเสือคำรามนี่ดูสิว่าใจจะเฉยหรือว่าใจจะสัน่นนถ้าสั่นก็แสดงว่าทุกข์เพราะยังไม่อยากตายยังไม่อยากจะเจอเสือถ้าเฉยก็แสดงว่าไม่ทุกข์ยินดีพร้อมที่จะเจอถ้าจะต้องเจอก็เจอนี่คือสิ่งที่ พวกเราควรจะทำกันก็คือสร้างเครื่องม้าเครื่องมือรองรับปัญญาของพระเจ้าเหมือนกับเวลาเราจะไปรับของรับประทานที่ลงทานเนี่ยเราต้องไปหยิบจานก่อนใช่ไหมเอามือเปล่าๆไปรับเดี๋ยวก็ไม่มือหมดต้องหาจานแล้วก็ให้เขาตักอาหารที่เราต้องการใส่จานตอนนี้เราไม่มีจานเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาแล้วเราจะไปรองรับปัญญาด้วยอะไร ข้อต่อมาค่ะพระอริยเจ้าซึ่งได้เข้าถึงอนุปาติเศสนิพานท่านก็ยังรับทราบความเป็นไปของโลกมนุษย์ต่างๆเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่คะก็เวลาที่บรรลุี้ท่านบรรลุที่ใจใจของท่านปราศจากความอย า, คากความโลภความโกรธความหลงท่านนั่นเองแต่ขันของท่านคือร่างกายเวทนาสัญญามันก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิม เียงแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งไปทางความอยากเห็นเป๊ปซี่ก็ไม่อยากดื่มเห็นขนมก็ไม่อยากกินอถ้ายังไม่ถึงเวลากินแต่ถ้าถึงเวลากินก็เอาเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่ทุกข์คือท่านได้ทั้งนั้นกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาต้องฉันท่านก็ฉันได้เอก็ดูเหมือนว่าท่านเป็นคนธรรมดาฉันนู่นฉันนี่เหมือนคนอื่ยก็เพราะว่าท่านฉันเพื่อร่างกายท่านไม่ได้ฉันเพื่อตั้หาความอยาก ใจท่านไม่มีความอยากกับอาหารที่ท่านเห็นด้วยตาของท่านนท่านก็ฉันไปเพื่อร่างกายแล้วพอรู้สึกอิ่มก็หยุดไม่ใช่อิ่มแล้วยังยัดเข้าไปยัดเข้าไปจนนั่งกายกลายเป็นตุ่มเนี่ยอันนี้เรียกว่ากินตามความอยากไม่ได้กินเพื่อร่างกายดังนั้นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้ท่านก็ยังมีร่างกายอยู่เหมือนเดิมร่างกายของท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ตั ด, ตดจารุแล้ว ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บตายเหมือนเดิมแต่ใจของท่านไม่ไปทุกข์กับมันทั้งนั้นเองเพื่อนเห็นจิตวิ ญ, ญญาณที่เป็นตัวตนตลอดเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ถามเขาสิก็มาไม่ถามเราจะไปรูเ้เหรอคำถามจาก Facebook <oughs> ค, ค่ะคำถามแรกจากคุณวูดแมนกระผมภาวนาพุโทโธพุโทโธ พอภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในที่มืดๆทึบๆแต่ไม่อึดอัดครับสบายดีจิตใจก็สงบดีก็พยายามพุโทโธไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งใจมันเหมือนเปิดโล่งสว่างเหมือนจิตมันลอยไม่อยู่กับตัวสักพักก็เริ่มรับรู้สัมผัสต่างๆบางครั้งก็รู้สึกท้องร้องหิวข้าว แล้วจิตมันก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่ไม่ทราบ ว, ว่าผมภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับก็มันออกมาแล้วไงหน้าที่ของเราเราต้องการดึงจิตเข้าไปข้างในให้ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสปทจจพะถ้ามันถอยออกมาหิวข้าวแล้วก็แสดงว่ามันกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสพทจจพะแล้วแล้วตัณหาก็เกิดขึ้นตามมาทันทีจะว่าผิดไม่ผิดก็ไม่รู้ละ ภาวนาเพื่อให้เข้าข้างในถ้าจิตเข้าข้างในได้มันจะดิ่งมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะว่างไม่มีอะไรเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็อุเบกขากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นเองถ้าถึงจุดนั้นมันก็จะรู้เองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาสัญจานใจที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่เลย พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ายังพุโทโธได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดนั้นแล้วพุโทโธมันจะหยุดไปเองคำถามที่สองค่ะเคยมีครั้งหนึ่งภาวนาแล้วรู้สึกร่างกายมันบิดเบี้ยวเหมือนเราเอามือบีบดินน้ำมันอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างไรครับอาการแบบนี้ต้องแก้ไขยอย่างไรครับตอบมันเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่จะมาสร้างนิวร สร้างอุปสรรคในการภาวนาแล้วก็กําลังของสติเรายังมีน้อยมันจึงมีกําลังที่จะมาสร้างเหตุเหล่านี้ให้กับเราวิธีที่เราจะปฏิบัติกับมันก็คืออย่าไปสนใจเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธของเราไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นของหลอกทังนั้นถ้าไม่เชื่อลองลืมตาดูเลยลืมตาดูมันก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ได้บิดไปไหนมันก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกนี่มันจะหลอกใจมันจะหลอก บางทีขันตรงนั้นขันตรงนี้บางทีก็คิดว่าร่างกายเอ็นไปข้างหลังเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาอย่าไปให้ความสําคัญกับมันก่อนเวลานั่งนี้เราตั้งนะทัต้ตั้งท่าให้มันตรงให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันเรียบร้อยแล้วทีนี้จิตมันจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจมันมาหลอกเรามันจะไม่ให้เราบริกรรมพุโทโธมันจะไม่ให้เราดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราไปเชื่อมันอะ เอามาทางซ้ายก็ขับไปขยับไปทางขวาหน่อย เ, อเดี๋ยวมันบอกมากเกินไปต้องกลับมาทางซ้ายมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรมามัวแต่ขยับร่างกายนะนี่คือหลุมพรางของกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ตกลงไปในหลุมแล้วจะไม่เข้าไปสู่ความสงบได้ดงั้นเวลานั่งนี้จะมีความรู้สึกแบบไหนไม่อยากไปสนใจเอ คิดว่าร่างกายพองหรือคิดว่าร่างกายหดมันก็หลอกเราทั้งนั้นร่างกายมันจะพองมันจะหดได้ไงใช่ไหมคนมีปัญญาแค่นี้มันก็ต้องรู้แล้วร่างกายอยู่ดีจะพองจะหดได้ก็ดีจะได้ลดน้ําหนักนั่งสมาธิมันพองเยอะก็นั่งสมาธิดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หดเนะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะขอให้รู้ว่ามันเป็นกิเลสที่มันคอยหลอกล่อใจไม่ให้ไม่ให้มีสมาธิเท่านั้นเอง ไม่ให้อยู่กับพุโทโธไม่ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนะ่ย้ิเราต้องอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ลมหายใจก็เกาะติดอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวคําถามต่อมาจากคุณหน่อยภูคิมพี่ฝากถามว่าเล่นหรือซื้อหวยจะผิดศีลห้าหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราเล่นแบบไหนถ้าเราคิดว่าทําบุญก็ไม่ผิด าำบุญให้กับรัฐบาลเอาเงินไปเอาไปไ ป, ไปช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองแล้วถ้าถูกก็เอาเงินนี้ไปทาบุญอีกคือจะไม่เอาเอาเงินที่ได้จากการเล่นหวยนี้มาใช้ส่วนตัวเลยคิดว่าทาบุญเราอาจจะมีวานสนาบาลมีเราไม่มีสามารถหาเงินมาทำบุญได้แต่เราแทางหวยแล้วมันถูกเราก็ไปแทงหวยแล้วพอถูกก็เอาเงินนี้ไปทาบุญต่อ อย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นการเล่นการพ น, นันเป็นการทำบุญเนี่ยแต่ถ้าพอถูกแล้วก็เอาไปเที่ยวไปกินไปเล่นนี่ยมันก็เป็นตัญหาแล้วเป็นกิเลสลนมันก็ไม่ถูกมันก็ถือว่าเป็นเข้าไขเหมือนกับการสแสวงหาทรัพย์โดยวิธีง่ายๆคือไม่ต้องทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาเงินมาแทงเลขซึ่งท่านก็บอกว่านะส่วนใหญ่แจ้งอ่ะไม่ใช่รวยกันหรอก คำถามจากคุณเอคิดเฟมไซเคิลโปรค่ะการละสังโยชน์สามด้วยปัญญาคืออย่างแรกต้องลักต้องล ะ, งละสักกายะทิฐิคือมีการเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังที่ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและเห็นความดับไปของทุกนั้นเพราะอะไรจึงส่งผลให้ ละวิจิตกิฉาความลังเลสงสัยในคำสอนคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นคำสอนสามารถใช้ปฏิบัติได้ผลจริงจึงมีพระสงฆ์รู้ตามอย่างแน่นอนและละสีละพัตปรามาโดยปริยายไม่ไปทำอะไรในสิ่งไม่มีเหตุมีผลลมลมแรงแ ง, ง, งตามศีลพรของศาสนาอื่นๆเพราะเข้าใจในปฏิจจสมุตบาท เห็นเหตุปัจจัยตรงหน้าที่ผ่านเข้ามาในอายตนะหกอย่างนี้ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องมีสภาวะนิมิตอะไรในสมาธิที่มหาศจั์เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับต้องมีสมาธิถ้าจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมัน่นจิตจะละตันหาความอยากไม่ได้ถึงแม้จะเห็นอย่างพวกเรานี่เราก็ได้ยินได้ฟังจน หูหูฉีกันลว้ว่าทุกข์เกิดจากสมุทยัยแต่พอสมุทพอตันหาเกิดขึ้นปั๊บก็กราบมันเลยพี่ต้องการอะไรเดี๋ยวจะไปน้องจะไปหามาให้ถ้าอย่างนี้ก็ยังละไม่ได้เออคนเราที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรือว่ามีรู้สึกว่าชีวิตนี้มันตกต่าก็เพราะว่าคิดว่าเนี่ยมัน มันมันเกิดจากเหตุนั้นเหตุนี้ครามจริงเหตุที่แท้จริงเกิดจากใจเราที่ไปทุกกับการเสรื่อมการเจริญนี้เองเวลาอะไรเสรื่อมเราก็จะทุกขขึ้นมาเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องไปแก้ด้วยวิธีต่างๆเช่นไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อ มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อมาสามครั้งครั้งนี้ดีเหลือเกิน <laughs> <laughs> แต่อันนี้ก็ไม่เราไม่ต้องทําอะไรกินอยูนนะ่แล้วมานั่งเปลี่ยนชื่อกันเนะนี่ยเนี่เรียกว่าสีลพัตรราาตาป a r a ไม่เป็นเหตุเป็นผลเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่เสื่อมอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ปลายจีรังถาวรพอไปเจอความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา แล้วก็ไปทําวิธีสะดเดาะเคาะอะไรต่างๆแล้วแต่หมอหมอดูคนนั้นจะสอนให้ไปทําอะไรทําแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่มันก็มันก็สบายใจเดี๋ยวเดียวถ้ามันไม่ได้ไปทำทำให้เกิดในสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวมันก็ทุบขึ้นมาใหม่ก็ไปหาหมอคนใหม่เดี๋ยวคนอื่นก็นมาแนะนาไปหาคนนี้คนนี้ไม่เก่งก็ไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนเรา ให้โปร่งสให้ยอมรับว่ามีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่ไม่สบายใจจะเฉยเฉยรับกับความเสื่อมได้คำถามต่อมาจากคุณธนรีสกุลทวีรุ่งโรธค่ะขณะนั่งสมาธิในห้องพระเหมือนจิตหันไปทางขวามือเห็นตัวเองยือนอยู่กาลังจะ ลงมานั่งทับร่างตัวเองที่นั่งสมาธิอยู่มีเสียงดังฟับจนตัวเองตกใจแต่ไม่ลืมตานะคะยังอยู่ในสมาธิต่อไปสักครู่จึงค่อยแผ่เมตตาเป็นเพราะอะไรคะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะมันเป็นกิเลสหลอกเรานะอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ให้เราอยู่กับกรรมบริกรรมอยู่กับการภาวนาของเราไป แล้วสิ่งต่างๆนี่เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าเราไปสนใจหรือไปมีปฏิกิริยาเราก็จะเสียสมาธิได้ถ้าเจอของดีก็อยากจะให้มันอยู่นานๆถ้าเจอของไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เกิดตัญหาเกิดความทุกข์ตามมาคำถามจากคุณใบเงินอัมพันอุน่นดิฉันอยู่ห่างไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์มีความประสงค์จะเรียนกราบถามค่ะ ในวันที่มีการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชดิฉันชมรายการถ่ายทอดสดและสวดมนต์ไปด้วยดิฉันได้กลิ่นเหม็นเน่าในขณะสวดมนต์ทั้งทั้งที่ในบ้านไม่เคยมีกลิ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อครั้งสมเด็จย่า ก, ก็เช่นกันเจ้าค่ะเพราะอะไรเจ้าคะ่ะเป็นวิจิกิจชาหรือไม่เจ้าคะ่ะไม่หรอกมันเป็นกิเลส ข, ของเรานะี่ย พอมันเจอสบขึ้นมากิ่นมันก็มาเลยทั้งที่บางทีศพมันไม่มีกลิ่นแตเรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งนี้สัญญาอะไรมันเคยฝังอยู่ในใจพอไปเห็นอะไรปับ๊บมันก็จะทำหน้าที่ขึ้นมาทันทีผลิตกลิ่นกลิตอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันอย่างที่บอกให้มีสติพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ต้องไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไร รู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับรู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดเวลามันดับเราก็ห้ามมันไม่ได้เราอยากไปอยากให้มันเกิดเราอยากไปอยากให้มันดับแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับมันคำถามจากคุณทีรวีวงโกวิทถามว่าภาวนาจนคาบริกรรมเงียบไปและลมหายใจหายไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ให้รู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ ้รู้อยู่กับถ้ามีคําบริกรรมก็บริกรรมต่อไปถ้าไม่ได้ใช้คําบริกรรมแล้วลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปอยู่กับความว่างไปคําถามจากคุณอนนุชจ๋าดิฉันได้ถูกสอนมาให้ตั้งจิตอธิษฐานขอหรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเองและสรรพสิ่งต่างๆแต่บ่อยครั้งที่ดิฉันตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะอธิษฐาน แต่เมื่อถึงเวลานั้นดิฉันกับรู้สึกว่างไม่มีความอยากหรือคาดหวังกับสิ่งที่ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะอธิษฐานเพื่อให้ได้หรือให้เป็นในสิ่งใดๆดิฉันได้เสียโอกาสในการปฏิบัติให้ถูกทางหรือไม่อย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันทําทานตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองพบกับแสงสว่างขอมุ่งหน้าไปพบมรรคผล ดิฉันมาแล้วมาต่อไปตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นดิฉันทำทานตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองพบกับทางสว่างขอบ่งหน้าไปพบมรรคผลนิพพาน แต่เมื่อถึงเวลาถวายหรือให้ทานดิฉันกลับไม่อธิษฐานขอในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้กลายเป็นว่าใจดิฉันกลับคิดเพียงขอให้ทานนี้ใบบำรุงแก่ผู้รับทานเป็นต้นคำถามตอนแรกอะคะ่ะว่าเสียโอกาสในการปฏิบัติให้ถูกต้องถูกทางหรือไม่คะคือคำว่าอธิษฐานนี่ของพระนี้ของศาสนานี้ ไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งใจตั้งเป้าหมายเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายขอว่าให้มาที่นี่เหมือนก็ไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นผลเราต้องตั้งอยู่ที่เหตุถ้าเราตั้งอยู่ที่เหตุเราออกเดินทางเดี๋ยวเราก็มาถึงที่นี่เช่นเดียวกับมรรคผลนิพพานก็ต้องตั้งอยู่ที่การทําทานรักษาศีลภาวนา ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนาไปจนชีวิตจะหาไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพต้นโพแล้วก็ส่งตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ภาวนาไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะบรรลุพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งขอให้บรรลุเข้าใจหพระพุทธเจ้าภาวนาจะภาวนาไปจนกว่า จะบรรลุไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ขอให้มันบรรลุขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลให้เวลาที่เราอธิษฐานนี้ตามหลักธรรมนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายการตั้งใจอถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะทะเลทลายอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะมาที่นี่เดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวไปดูอะไร ก็อาจจะไปเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาที่นี่แต่พะเราตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะต้องมาที่นี่ถ้าเกิดมีเพื่อนโทรมาชวนไปที่อื่นเราก็บอกเขาว่าไม่ไปเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดนี่คือเจตนาของการให้ตั้งอธิษฐานเพื่อเราจะได้ไม่โลเลให้เรามีมีเป้าหมายของชีวิต ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆไหลไปตามอารมณ์วันนี้ถ้าอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็จะไปพรุ่ง น, นี้เพื่อนมาชวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็จะไปก็จะไม่มีวันที่จะมาเข้าวัดได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าเดือนนี้ตั้งเดือนเราจะไม่ไปไหนเราจะไปอยู่วัดแล้วตั้งแล้วก็ต้องมีสัจจะมาควบคุมด้วย บางคนชอบตั้งแต่ไม่ชอบทำตามโอ้ยตั้งซะวิเศษเลยจะปฏิบัติอย่างโ น, น้อย่างนี้จะทาบุญเป็นหมื่นเป็นแสนพอถึงเวลาเสียดายนะเอาแค่ร้อยหนึ่งก่อนก็แล้วกันนี่คือไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะต้องมีสัจจะด้วยมันจะได้ทำตามที่ตั้งใจได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน เ้าเจ้าเป็นคนที่มีสัจจะพอลองได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วไม่เลิกอย่างที่ท่านบอกขอให้เลือดในร่างกายนี้เหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปโดยเด็ดขาดเท่ายัางไม่ได้ตัดสรูว์นี่ลหละคือเรื่องของสัจจะอธิษฐานแล้วพอได้สัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะต่อไม่ใช่นั่งเฉยๆใจลอยเราว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดเ มันต้องเจริญเหตุเหตุที่จะทำให้ตัดสรุปก็คือวิปัสสนาสมถภาวนาก็ต้องเจริญเหตุด้วยความเพียรแล้วถ้าเจอความเจ็บก็ต้องใช้ขันติสู้กับมันถ้าเจอความทุกข์ยากลำบากเดือดรุปมสรคถ้าไม่มีขันติก็จะยอมแพ้ยกทงขาวได้นี่คือทำสี่ประการด้วยกันที่จะนำให้ผู้ที่ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถได้สิ่งตามที่ปรารถนาต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะและมีขันติอย่างโยมคนหนึ่งบอกว่าจะมาวัดในวันที่ยี่บสามโดยเสตตั้งแล้วจะมีสัจจะหรือเปล่าเดี๋ยววันที่ย3ิบสามเกิดแฟนชวนไปธุระที่อื่นก็ขอเลื่อนไปก่อนไม่สำคัญหรือพอมาถึงก็แค่เห็นห้องมันสบายขอนอนก่อน กาจะมาดูว่าขาดแคงอะไรก็รอไว้ก่อนอมันสบายมีแอร์มีอะไรต่างๆแสดงว่าไม่มีความเพียรนี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รับก็คือเราต้องจิตตั้งจิตอธิษฐานที่เหตุคือการกระทำของเราแล้วก็ใช้ความเพียรตักดัน ถึงที่เราต้องการจะทำใช้สัจจะ บ, บังคับมันไม่ให้ทะเลทไายพอเราเวลาสัญญาที่พูดหวานเลยนะจะทำอย่างวุฒนธรรมนี้ให้พอถึงเวลาขึ้นมาเปลี่ยนใจนะแ <c oughs> สดงว่าไม่มีสัจจะคำถามจากผู้ฝากถามค่ะคำถามแรกในกรณีที่เราอ่านหนังสือธรรมะและชอบการอ่านออกเสียง ในวงเล็บอยู่คนเดียวค่ะจึงไม่ถือว่ารบกวนใครแล้วก็บันทึกเสียงขณะอ่านเพราะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจและใจจดจ่อกับตัวหนังสือจากนั้นก็เอาเสียงที่บันทึกนี้ไปให้คนที่มีปัญหาทางสายตาฟังแล้วปรากฏว่ามีคนชอบและรอติดตามฟังเสียงธรรมะที่เราอ่านอย่างนี้ ถือว่าเป็นการประโยชน์ตนและมีพ่วงคือได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วยถูกต้องไหมคะก็จะได้ได้ธรรมะที่อ่านแล้วก็จะได้แบ่งปันธรรมะที่เราอ่านแล้วเราก็อัดเสียงไว้ไปให้คนอื่นได้ฟังต่อก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยน้อยไม่ใช่เป็นประโยชน์แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทาคำถามที่สองค่ะปกติ หนูจะตั้งเวลาในแต่ละวันสำหรับอ่านหนังสือธรรมะและบันทึกเสียงนี้เช่นวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วจากนั้นก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามให้ใจเกาะติดกับพุโทโธแต่บ่อยครั้งหนูก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือธรรมะแล้วบันทึกเสียงนี้สนุกกว่าพุโทโธหนูก็เปลี่ยนไปทำ สิ่งที่ใจหนูชอบมากกว่าอย่างนี้ก็เป็นกิเลสใช่ไหมคะคือกําลังสติของเรายัางมีกําลังไม่มากพอที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวก็เลยต้องอาศัย <c oughs> การอ่านพระสูตรไปก่อนอย่างสมัยที่เราเริ่มต้นเราก็ทําแบบนั้นเราท่องพระสูตรแล้วเราเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วมันฟุง้งมันจะไปนู่นมานี่เราก็เลยใช้การท่องพระสูตรเนี่ย มาท่องพอท้องไปจบพสุจน์ใจมันก็เย็นก็สามารถดูลมต่อได้คือเวาลาเริ่มต้นใหม่ๆนี้สติจะมีกำลังไม่มากพอมันจะไม่ยอมอยู่กิเลสจะมันจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันชอบสิ่งหลากหลายถ้าอยู่กับสิ่งเดียวมันเบื่อมันเลยต้องออมีเช่นคนบางคนนี่นั่งสมาธิไม่ได้ต้องฟังธรรมไปก่อนบางคนเปิดฟังธรร ม, มไปใจก็สงบ ต่ไม่ฟุ้งเขาว่าไม่สงบกก็คือไม่รวมหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ฟุ้งแล้วพอมันไม่ฟุ้งก็ปิดเสียงธรรมแล้วก็ดูลมหายใจต่อหรือพุโทโธต่อไปได้เหมือนกับรถเนะี่ะที่มาสตาร์ไม่ติดก็ต้องอาศัยคนเข็นก่อนใช่ไหมพอเข็นให้มันติดพอเครื่องติดแล้วทีนี้มันก็วิ่งของมันไปเองได้การสวดการสวดธรรมะการอ่านธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนกับ ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาดันใจดันสติให้เกิดขึ้นหรือการฟังเทศฟังธรรมเนี้ยสังเกตดูญาติโยมเวลามาฟังธรรมเนี่ยนั่งได้เกือบชั่วโมงนี้นั่งได้แต่ถ้าให้นั่งอยู่ที่บ้านหรืออยู่คนเดียวมักจะนั่งไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าไม่มีอะไรผูกใจไว้แต่เวลาฟังธรรมนี่มีเรื่องให้เราฟังมีเรื่องให้เราคิดมันก็เลยมันก็เลยสามารถนั่งฟังไปได้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์ด้วย ดังนั้นถ้าเรายังมีสติไม่มีกําลังมากพอไม่สามารถพุโทโธได้หรือไม่สามารถดูลมหายใจได้ก็ลองฟังทำไปหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆหรือทางที่ดีถ้าเราท่องได้จะดีกว่าเพราะการภาวนาเนี้เราไม่อยากจะเอาตาออกมา ส, สู่รูปเพราะมันจะไม่สงบต้องหลับตาแล้วก็ท่องไปท่องพระสูตรที่เราจําได้ ท่องไปแล้วสักพักหนึ่งใจก็จะเย็นเย็นแล้วก็จะสามารถพุโทโธต่อไปได้หรือดูลมหายใจต่อไปได้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ตามลำดับต่อไปคำถามข้อสามค่ะถึงหนูจะชอบการบันทึกเสียงขณะอ่านหนังสือธรรมะแต่ทางที่ดีควรกำหนดระยะเวลาให้แน่นอนเท่านั้นแล้วจากนั้นคือการเจริญสติ เพื่อดึงใจเข้าข้างในอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทําประโยชน์ให้แก่จิตใจของตัวเองใช่ไหมคะเรือเราต้องทําใจของเราให้สงบก่อนแล้วก็อย่าไปกําหนดเวลาให้กําหนดที่ผลถ้ายังไม่สงบก็อย่าเพิ่งเลิกเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ตัดสัลุก็จะไม่เลิกไม่ใช่ดูนาฬกาอยู่เรื่อยถึงเวลาอย่างถึงเวลาอย่าง ถ้าดูนร า, ารกาแล้วมันก็จิตมันก็จะออกนอกแล้จิตมันจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะดึงใจให้เข้าข้างในได้ดังนั้นเราอย่าไปกำหนดอย่าไปกำหนดเวลาให้กำหนดผลว่าจะนั่งไปจนกว่าจิตจะรวมจิตจะสงบหรือทนไม่ไหวจริงๆค่อยลุกออกมาจากผู้ฝากถามอีกท่านหนึ่งค่ะขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายวางใจช่วงเวลาที่กาลังเจริญสติ แล้วมีเสียงดังจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงคอนเสิร์ตเสียงคนคุยกันเสียงคนงานใช้อุปกรณ์ทำสวนเราควรจเจริญสติของเราไปเหมือนแข่งกับเสียงภายนอกหรือควรหลบด้วยการทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนแล้วค่อยภาวนาต่อหลังจากเสียงเงียบไปแล้วเพื่อไม่ให้มีอารมณ์กับเสียงนั้นเพราะบางทีก็รู้สึกหงุดหงิด แต่บางทีก็ไม่รู้สึกทางที่ถูกควรทำอย่างไรคะก็ทำแบบไม่งดหยิดถ้างดหยิดก็ทำไม่ได้ก็หยุดไปก่อนแสดงว่ากําลังของสติเรามีไม่มากพอถ้ากําลังของสติเรามีมากพอลิ่งถ้ามีปัญญามันก็จะปล่อยวางได้ก็จะคิดว่าเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงเสียงของธรรมชาติเสียงลมพัดไปมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกงดหยิดขึ้นมา คำถามจากคุณแสงสุขค่ะอยากถามว่าการนั่งสมาธิควรนั่งนานเท่าไรและปล่อยนานเท่าไรที่เหมาะสมจะได้ผลคะก็นานจนกว่ามันจะได้ผลนะ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วเมื่อกี้บอกอย่าไปกำหนดเวลาถ้ากำหนดเวลาแล้วมันจะไม่มีวันได้ผลเพราะมันจะได้เวลาแทนมันจะคอยจ้องดูที่เวลาถึงเมื่อยังถึงเมื่อยังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องเวลา อย่าไปมีนาฬิกานอกจากว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปทำงานในเวลานั้นเวลานี้แต่เรายังอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งไปแต่อย่าไปอย่าไปมองมันให้มันตั้งแบบให้มันมีเสียงพอถึงเวลามันก็จะเสียงดังเราก็จะได้รู้ว่าบดเวลาแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าไปตั้งแบบไม่มีเสียงและคอยดูอยู่เรื่อยๆถึงเวลาแลยังถึงเวลาเราบางทีนาฬิกาแบบนาฬิกาข้อมูลไม่มีเสียง ก็ต้องหานาฬิกาปลุกที่มีเสียงถ้าอยากจะนั่งแต่มีเวลาจำกัดก็ต้องใช้แบบนี้แต่ทางที่ดีควรจะนั่งแบบไม่มีเวลาจำกัดจะดีกว่าเพราะวันดีคืนดีมันอาจจะเข้าได้เข้าเข็เขมตอนใดตอนหนึ่งก็ได้พอจะเข้าได้เข้าเข็มก็ลองเต้งขึ้นมอเสียดายเพราะไม่แน่นะพรสติของเรามันขึ้นๆงๆอยู่ มันดีคืนดีมันขึ้นมันต่อเนื่องมันไม่ไปคิดดังนั้นดังนี้มันก็จะสงบให้เราเะฉนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปตั้งเวลาตั้งที่ผลก็แล้วจะนั่งจนกว่าจะสงบเลืนทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวก็ค่อยเลิกไปหมดแล้วยังมีคำถามนึ่งครัพระอาจารย์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะเวลากําลังอ่านธรรมหรือปฏิบัติธรรมจะมีเสียงมากระทบบน ทั้งที่ทั้ ง, ง, งเราเองไม่เคยทำผิดดิฉันไม่เคยสร้างภาระกับคนอื่นกลับเป็นคนรับภาระมากกว่าบ่นเป็นนิสัยเลยดิฉันเลยพูดออกไปโดยพูดว่าคนไม่มีความผิดทำไมต้องมาบน่นบ่นจนเป็นสันดานแล้วเพราะพูดคำว่าสันดานออกไปเลยถูกมองว่านี่หรือคือคนปฏิบัติธรรมจำได้ว่านิสัยบ่นนี้ทำให้ดิฉันทุกข์ พอมาศึกษาธรรมก็กลายเป็นตอบโต้ออกความจริงมาพูดแต่เขารับความจริงไม่ได้เลยมองคนศึกษาธรรมในด้านลบรุนแรงมากสําหรับคนฟังขอพระอาจารย์ช่วยอบรมชี้แนะแนวทางให้พ้นทุกข์ค่ะอวิธีของธรรมะก็คือให้ใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหว <laughs> เขาอยากจะบน่นก็อยากจะดา่าก็ปล่อยก็บ่นไปเราทําตัวเราเป็นเหมือนเสาก็แล้วกันลองไปด่าเสาดูเลย ลาไปสักพังเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองท่านบอกว่าใช้ความสงบอย่าไปตอบโต้เฉยๆอยู่เฉยๆรับฟังไปที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความถูกใจที่เกิดจากความอยากแม่เขาว่าเรานั่นเองทั้นั้นเองเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทามีทั้งชมมีทั้งด่าของเป็นคู่กันเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดว่าจะให้มีแต่คําชมอย่างเดียวได้ กิเลสของพวกเราตอุกคนเนี่ยไม่ชอบคําด่าก like ันครูบาจารย์จนชอบด่า <code> ก э no ็จะได้พวกเราแก้กิเลสกันเพราะพ่าเวลาด่าคกูบาจารย์นี่มันทําอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งเฉยไม่ใช้ปัญญาเหมือนก็จะรู้จักวิธีแก้แต่ถ้าคนอื่นด่าปั๊มนี่มันจะสวนกลับไปนะแต่กับครูบาจารย์เนี่ไม่กลาเพราะความเคารพเนี่ประโยชน์ของครบาาจารย์